สังคาทิเศษสิกขาบทที่7ภิกษุณีผู้กโกรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจส จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆาทิเศษ